กายที่ไม่ใช่ของสุรักษ์คำว่าอสุรหรืออสูนไทยเรามักเข้าใจว่าได้แก่พวกยักษ์ตามเรื่องรามเกียรติ์หรือในเรื่องอื่นซึ่งมีลักษณะดุร้ายกินคนและไม่ใช่คนดังที่เรียกว่าอามนุษย์แต่ตามดีกาอภิธรรมอมนุษย์ท่านอธิบายว่าอสุรามีสองจพวกคืออสุรเรตและอสุรที่เป็นข้าสึกของเทพ และท่านแปลคําว่าอสุรไว้สองอย่างคือมีใช่สุระอันหมายถึงเทพได้แก่ไม่ใช่เทพคําว่าสุระท่านแปลว่าเล่นหมายถึงสวยสุขพวกเทวดาสวยสุขด้วยทิพยสมบัติจึงเรียกว่าสุระอสุระมีภาวะตรงกันข้ามคือสวยทุกข์เท่ากับเป็นเปรตชนิดหนึ่งจึงเรียกว่าอสุรเปรต อีจัมพวกหนึ่งไม่ได้หมายถึงอสุรรที่สวยทุกอย่างนั้นแต่หมายถึงจัมพวกที่เป็นข้าศึกของเทพเดิมเกิดอยู่ในชั้นดาวดึงเมื่อพวกเทพเกิดขึ้นก็ถูกกำจัดตกสมุดลงไปต้องตั้งถิ่นฐานอยู่ใหม่ในที่ต่ำต้อยได้ทำสงครามกับพวกเทพหลายครั้งปลัดกันแพปลัดกันชนะจัมพวกนี้มีถิ่นฐานอยู่ที่สวยทิพย์สมบัติเหมือนกันแต่ด้อยกว่าพวกเทวดา และไม่ยอมเป็นบริษัทบริวารของเทวดาจึงเรียกว่าอสุรเหมือนกันแปลว่ามิใช่สุระหรือเทพมีความหมายว่าไม่ใช่พวกเทพเท่านั้นในอบายภูมินี้ท่านแสดงว่าหมายถึงพวกอสุรเปรตจําพวกเดียวน่าจะมุ่งให้มีความหมายเฉพาะดังกล่าวจึงไม่เรียกว่าอสุรเฉยแต่เรียกว่าอสุรกายอาจแปลว่า มีการไม่เหมือนอย่างสุระหรือเทพหมายถึงพวกผียักษ์เลวๆที่หลอกคนเข้าสิงคนก็ได้ในไตรภูมิพระร่วงกล่าวว่าอสุรกายมีสองคือการักกันชากาสุรกายและทิพอสุรกายประเภทแรกบางจำพวกมีตัวผอมหนักหนาดังใบไม้แห้งไม่มีเนื้อเลือดเลยมีลักษณะพิกลพิการมากมาย ไม่มีความสุขยากเย็นเข็นใจนักหนาบางจำพวกมีรูปร่างต่างๆกันแต่ก็พิกนพิการต่างๆกันจำพวกนี้ก็จะดูตรงกับอสุรเรตที่นับเข้าในอวายูุมดังกล่าวแล้วส่วนพวกทิพอสุรกายในไตรภูมิพระร่วงพรนานาไว้มากตรอดจนถึงพวกที่เป็นข้าสึกของเทพรวมอวัยภูมสี่คือหนึ่งนิระยะหรือนรก 2. ติรชานโยนิหรือกำเนิดติรชาน 3. ปิติวิสยะหรือแดนเปรต 4. อสุรกายหรือกายอสุระเป็นทุกติหรือกติที่ชั่วเลวอกุศลกรรมนาไม่เกิดในทุกติเหล่านี้กำเนิดติรชานเห็นกันอยู่ด้วยตาส่วนอีกสมภูมิจะมีจริงหรือไม่เพียงไรในพระพุทธศาสนาชั้นบาลีโดยมากแสดงแต่ชื่อ ในชั้นอัตถกถาลงไปมีแสดงโดยละเอียดอาจอธิบายตามความเชื่อเก่าของพราหมณ์หรืออาจปรับปรุงขึ้นให้มีความกลมกลืนกับแนวพระพุทธศาสนาแต่บางเรื่องยิ่งอธิบายมากไปก็ยิ่งทำให้ไม่น่าเชื่อสู้คงไว้แต่ชื่อหรือมีคำอธิบายย่อยๆให้มีความกว้างไม่ได้เพราะชื่ออบายภูมเหล่านี้ล้วนสองคติที่ไม่ดีทั้งนั้นทั้งคาและความ จึงอาสรุปได้ว่าทางพระพุทธศาสนาแสดงอบายภูมิสีว่าเป็นผลของอากุศลกรรมดังที่ปรากฏอยู่ในพระสูตร ต, ต่างๆใช้ชื่อเก่าซึ่งคนเข้าใจกันอยู่แล้วในความหมายรวมๆว่าเป็นคติที่ไม่ดีแต่โดยมากไม่ได้รับรองอธิบายเก่าๆของชื่อเหล่านั้นเลือกรับรองหรืออธิบายใหม่ตามหลักพระพุทธศาสนาหรืออ้างแต่ชื่อขึ้นมาปล่อยให้คา และความของชื่อนั้ น, น, นอธิบายตัวเองเพราะคนก็เข้าใจได้ทันทีแล้วว่าไม่ดียิ่งอธิบายก็ยิ่งเข้าใจช้าหรือไม่เข้าใจเพราะพระพุทธศาสนามุ่งอธิบายปฏิบัติธรรมแก่คนฟังในปัจจุบันอ้างถึงอบายภูมิก็เพื่อให้คนละกรำชั่วในเวลาเดี๋ยวนี้การละกรรำชั่วจึงเป็นข้อสําคัญไม่ต้องเสียเวลาเถียงกันว่านารกมีจริงหรือไม่มีจริง นึก ด, ดูว่าความชัว่วในตนมีจริงหรือไม่มีจริงดีกว่าถ้าพบว่ามีจริงก็ควรเข้าใจว่านี่แหละอบัยภูมิและพยายามละเสียไม่ทําอีกต่อไปมนุษยภูมิจะกล่าวถึงมนุษยภูมิต่อไปตามความคิดเก่าแก่จักรวาลคือโลกนี้มีเขาสินเนรุเป็นแกนกลางมีภูเขาล้อมรอบเป็นเจ็ดชั้นเรียกว่า สัตตาปริพันธะบันพศมีมหาสมุทรขั้นในระหว่างเจมหาสมุทรเรียกว่าสีทธนดรมหาสมุทรทั้ง7ถัดออกไปก็มีมหาสมุทรโดยรอบมีทวีปใหญ่ทั้งสี่อยู่ในสี่ทิศแต่ลัทวีปใหญ่มีทวีปเล็กเป็นบริวารอีกเป็นจํานวนมากดูมันอย่างมีการวางแผนผังไว้อย่างเป็นระเบียบอบายภูมิทั้งสอยู่ภายใต้โลกนี้เองบ้างอยู่บนพื้นโลกบ้างเว้นแต่โลกัารตลิกาน ร, รก ซึ่งอยู่ระหว่างจักรวาลแต่ก็มีกล่าวว่าสัตว์นรกจำพวกนี้ก็ขอบจักรวาลอยู่ก็มีอบายภูมิจำพวกเปรตและอสุรกายแม้จะอาศัยอยู่บนพื้นโลกแต่ก็เป็นอทิตสมานกายแปลว่ามีกายไม่ปรากฏแก่ตามนุษย์ส่วนจำพวกสัตว์ดิรัชานานาชนิดเห็นกันอยู่โดยทั่วไปแล้วพวกมนุษย์นั้นอาศัยอยู่ในทวีปทั้งสี่และทวีปเล็กทั้งหลาย แต่ที่เห็นกันแน่นอนคือชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นต้นตาราภูมิศาสตร์โลกดังกล่าวเองส่วนมนุษย์ในทวีปอื่นน่าจะเป็นมนุษย์ในความนึกคิดหรือฌานปัญญาของผู้เป็นต้นตาราจะเห็นได้ชัดดังที่พรรณนาถึงในอุตรกรุธทวีปเรื่องจักรวาลโลกนี้ได้กล่าวมาแล้วตลอดถิ่นําเนิดมนุษย์ตามความคิดเก่าแก่ซึ่งติดเข้ามาในอคคัญญสูตรในพระพุทธศาสนา ฉะนั้นในที่นี้จะกล่าวถึงป่าหิมพานซึ่งเป็นป่าใหญ่ในชมพูทวีปเรียกว่าหิมวันตาประเทศก็มีคนไทยเราคุ้นต่อคำนี้มาเป็นเวลาช้านานในเวทสัมโดรชาดกหรือมหาชาติได้มีกล่าวถึงในสองกานคือการหิมะพานและวนประเวศป่าหิมพานป่าหิมพานตั้งอยู่ในชมพูทวีปคือ ในด้านเหนือของอิเนเดียมีภูเขาใหญ่ที่มีชื่อเสียงชื่อว่าหิมะวันตะบันพศแปลว่าภูเขามีหิมะจะตรงกับชื่อที่เรียกในบัตรนี้ว่าภูเขาหิมาลัยในอัตถกะถาพันนาไว้ว่าชมภูทวีตนี้เป็นมหาสมุทรสี่ส่วนเป็นแผ่นดินมนุษย์อยู่สามส่วนเป็นป่าหิมพ่านหรือป่าหิมะวันตะบันพศสมส่วนรวมเป็นสิบส่วนในเขตหิมวันนั้น มีสะใหญ่เจ็ดคือ 1. อโนตตะหรืออโนดาต 2. กัรทะมุนทะ 3. รุรถการะ 4. ฉชั้นทันตะ 5. กุนาละ 6. มันทากินิ 7. สีหัปะปาตะสาอโนดาตมีภูเขาทั้ง5้าแวดล้อมคือ 1. สุทัศนกูด 2. จิตตะกูด 3. การะกูดส คันธมาธนากูดห้เกลาสกูดสุทัศนกูดล้วนแล้วไปด้วยทองโค้งเป็นวงภายในมีสังขานเหมือนปักกายื่นออกไปรุมสะอนูดาตจิตกูดล้วนแล้วไปด้วยสัพพารัตนะการากูดล้วนแล้วไปด้วยหินเขียวดังดอกอัญชันคันธมาธนากรูดล้วนแล้วไปด้วยสาโนภายในมีสีดังทั่วสานุแปลว่าที่มีพื้นเสมอบางแห่ง ให้คำแปลว่าป่าไม้สำหรับในที่นี้บางท่านแปลว่ามัสาระขัละแก้วลายอบอวนไปด้วยกลิ่นทั้งสิบคือกลิ่นรากกลิ่นกันกลิ่นกระพีกลิ่นใบกลิ่นเปลือกกลิ่นกระท้อเปลือกกลิ่นรสกลิ่นดอกกลิ่นผลและกลิ่นลำต้นนาแน่นไปด้วยโอสถนานาประการเกสรลกูฏล้วนแล้วไปด้วยเงินเมื่อฝนตกเป็นแม่น้า ไหลรวมไปสู่สระอนดุด่าและเพราะภูเขาเหล่านี้แวดล้อมเจโงกเงื้อมอยู่โดยรอบแสงจันทร์และอาทิตย์ไม่ส่องลงไปยังสระอนุด่าโดยตรงจึงเกิดชื่อว่าอนตุตตะหรือไม่ถูกแสงส่องให้ร้อนสระอนุอนด่านี้มีท่าสำหรับลงอาบของพระพุทธพระปัจเจกพุทธและผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายและมีท่าสําหรับลงเล่นน้ําของพวกเทพและยักษ์เป็นต้นและที่ด้านข้างทั้งสีด้าน มีมุกคือปากของแม่น้ำสีสายไหลออกไปชื่อว่าสีหมุกหรือปากสีหะหัดทีมุกหรือปากช้างอัสมุกหรือปากมา้าอุสภมุกหรือปากโคผู้ที่ฝั่งแม่น้ำไหลออกจากสีหมุกมีสีหะอาศัยอยู่มากกว่าสัตว์อื่นที่ฝั่งแม่น้ำที่ไหลออกทางหัดทีมุกอัสมุกและอุสพมุกก็มีช้างมา้า และโคอาศัยอยู่มากกว่าสัตว์อื่นแม่น้ําที่ไหลออกทางทิศตะวันออกไหลผ่านป่าหิมะผ่านด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือไปสู่มหาสมุทรไม่ผ่านถิ่นมนุษย์แม่น้ําที่ไหลออกทางทิศตะวันตกและทิศเหนือไหลผ่านป่าหิมะผ่านด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือไปสู่มหาสมุทรไม่ผ่านถิ่นมนุษย์เช่นเดียวกันส่วนแม่น้ําที่ไหลออกทางด้านทิศใต้หรืออินเดียอยู่ทางใต้ ไหลเวียนขวาสะอโนดาาแม่น้าที่กล่าวมาแล้วก็ว่าไหลเวียนขวาสะอโนดาาก่อนเหมือนกันแต่เฉพาะแม่น้าสายนี้เรียกชื่อตอนนี้ว่าอาวัตตาคงคาแปลว่าคงคาเวียนแล้วไหลไปตามหลังแผ่นหินตรงไปทางทิศเหนือตอนนี้เรียกว่ากัญหะคงคงแปลว่าคงคาดำจนไปกระทบภูเขาพุ่งเป็นท่อน้าขึ้นไปบนอากาศตอนนี้เรียกว่า อากาศคงคาแปลว่าคงคาในอากาศแล้วตกลงไปในอ่างหินชื่อว่าติยัคคระเกิดเป็นสระใหญ่ตอนนี้เรียกว่าติยัคคระโบครนีน้ําพังฝั่งของสระโบโครนีนั้นซ่อหินลึกเข้าไปตอนนี้เรียกว่าปหลาุลคงคาแปลว่าคงคาหนาแล้วซ่อดินเป็นอุโมงค์ต่อไปตอนนี้เรียกว่าอุ ม, มะมังคะคงคาแปลว่า คงคาในอุโมงคือแม่น้ำไหลใต้ดินจนไปกระทบภูเข า, ว ข, าวขวางหรือติรชานบรรพชื่อว่าวิทยะจึงแยกออกเป็นปัญจทาราคือทานน้ำห้าสายเช่นกับนิ้วมือห้านิ้วปัญจทาราเหล่านี้ไหลไปยังแดนมนุษย์เป็นแม่น้ำห้าสายคือคงคายามุนาอาจิรวดีสรภูมหีในชมพูทวีปหรืออินเดียในปัจจุบัน ในไตรภูมิพระร่วงเก็บเรื่องป่าหิมพาน์จากหนังสือต่างๆมารวมไว้จนดูเป็นป่า ท, ที่สลับซับซ้อนยิ่งนะักจะเริ่มนํามากล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้เขาหิมพานสูงใหญ่มากมายมียอดมากดั่งที่กล่าวไว้ว่าสูงห้ารอยยอดใหญ่สามพันยอดมียอด 84% ดหมื่นสนยที่เชิงเขาหิมพานนั้นมีไม้ว่าหรือชมพูใหญ่ที่ฝั่งน้ําสีทานทีไปเกิดทองคําอันเรียกว่า ทองชมพูนดไทยเราเรียกว่าชมพูนดในที่อื่นกล่าวว่าบอ่อทองขึ้นในที่ผลว่าตกที่ฝั่งทั้งสองของแม่น้ําทั้งหลายที่ไหลผ่านต้นวะใหญ่ไปจึงเรียกชื่อว่าชมพูนดแปลว่าวที่ฝั่งน้ําต้นว่าโตจากป่าม้วันในเป็นป่ามะขามป้อมถัดไปก็มีแม่น้ำมีป่าไม้ว่าแล้วจึงถึงป่าไม้นารีผลออผลมีรูปเหมือนนารีอายุสิบหกปีเรื่อยไปทางตะวันออก จนถึงมหาสมุทรส่วนทางตะวันตกไปถึงแม่น้ำใหญ่เจ็ดนั้นถัดไปเป็นป่ามีชื่อทั้งหเป็นที่อยู่ของพวกนักธรรมถัดป่านั้นไปยังมีป่าไม้มะขุิยในไตรภูมิพระรุวงได้พรนานาถึงแม่น้ำใหญ่ทั้งเจคือสาก ท, ทั้งเจมีสานุดาเป็นต้นได้พรนานา ถ, ถึงภูเขาห้าลูกและล้อมรอบสานุดาเขาคันธมาศมีถ้าเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกโพธิ เวลากลางคืนเดือนดับมีแสงดังทานเพลิงเมื่อเดือนเพ่นยิ่งสว่างดังไฟไม้ป่าริมนอกสัดทั้งเจ็ดมีบูนานาชนิดถัดไปมีป่าข้าวสาลีขาวข้าวสาลีแดงถัดไปมีป่าแตงชะแลป่าน้ำเต้าป่าแตงมิงป่าอ้อยป่ากล้วยป่าขนุนป่ามะม่วงป่ามะขวิดโดยลําดับสะฉัดทั้งตะก็มีภูเขาล้อมรอบเจ็ด ลวดแล้วด้วยทองแก้วหินเขียวดังดอกอัญชันผลึกรัตนะชาติหินคุแก้วมรกตตะกูลช้างฉัตรทันเกิดอยู่ในที่นั้นริมนอกสะฉัตรทันนั้นมีป่าผักตบป่าบูน า, นาชนิดป่าจงกณีและป่าบูชนิดอื่นๆรอบนอกก็เป็นผักตบอีกมีข้าวสาลีมีหมู่ไม้ใหญ่มีป่าถั่วป่าฟักแฟงแตงเต้าป่าอ้อยป่ากล้วย ป่าไม้รังป่าไม้ขนุนป่ามะขามป่ามะขวิดป่าไม้หลายพันธหลายเหล่ามีภูเขาเจ็ดล้อมรอบเป็นชั้นสองในเขาไกร ล, ลาดหรือเกลามีเมืองกินนอนกินนรีเขาจิตตะกูดมีคูหาทองเป็นที่อยู่ของสุวรรณหงษทั้งหลายในหนังสือดนั้นพรรณานาถึงสัตว์วิเศษในป่าหิมะผ่า์อีกหลายชนิดภาพป่าหิมะผ่า์ประกอบด้วยภูเขาและต้นไม้นักสิทธ์ วิทยาธรและสัตว์ต่างๆมีเขียนไว้ในพระวิหารวัดสุดทธัศน์เทวราชามเป็นจิตรกรรมที่น่าดูแสดงความคิดและศิลปะอันวิจิตรในเวสันดรชาดกแสดงระยะทางเสด็จของพระเวสันดรจากนครเชตุดอนแห่งรัศีพีดังต่อไปนี้จานครเชตุดอนถึงภูเขาสุวรรณกริตาละห้ายยนจากภูเขานั้นถึงแม่น้าโกนติมาลาห้ายยอด จากแม่น้ำนั้นถึงหมู่บ้านพรามตุณวิทนาฤทธันทะห้าโยธจากหมู่บ้านพรามนั้นถึงมาตุลนครในรัตเจตสิบโยธรวมระยะทางจากกรุงเชตุดรถึงรัฐนั้นเป็นสามสิบโยธพญาเจตรราชทั้งหลายเสด็จไปส่งพระเวสสันดรจากมาตุลนครเป็นระยะทางสิบห้าโยธแล้วทรงบอกขนทางที่จะเสด็จต่อไปอีกสิบห้าโยธผ่านที่ต่าง ๆ, ด, งๆดังต่อไปนี้ เขาคันธมาศวิปู ล, ลบันพศแม่น้ำเกตมะดีไม้ไซมีผลวิเศษนาฬิกาบันพศสะมุจลินอยู่ทางทิศอีสานของภูเขานั้นปา่าหมอกซึ่งเป็นป่าชัดสาบโบคอรณีเวิ้งเขาโกรพระเวสสันดรได้ไ่น้อยในคำพีต่างต่างเองก็ยังกล่าวว่าเป็นที่อยู่เฉพาะของผู้มีฤทธิ์ฉะนั้นคนธรรมดาสา ม, มัญ ก็คงไม่กล้าเข้าไปไกลนักพระอาจารย์ผู้เขียนพระคำพีซึ่งส่วนมากอยู่ในลังกาก็ยิ่งน่า จ, จะไม่ได้ไปแม้แต่ในเขตใกล้ป่าหิมพานจึงน่าจะเขียนขึ้นตามที่เล่ากันมาในบนัดนี้ได้มีนักสำรวจเข้าไปสำรวจกันมากขึ้นจนถึงได้พยายามขึ้นไปจนถึงยอดเขาหิมาลัยที่ว่าสูงที่สุดต้นของแม่น้ำห้าสายในอินเดียที่พร น, นาไว้ก็อาจสำรวจได้ ในสมัยโบราณเป็นวิสัยของผู้มีฤทธิ์เป็นถิ่นที่ลี้ลับมา่าัศจรรย์ในสมัยปัจจุบันเมื่อคนไปสำรวจได้ก็กลายเป็นภูมิประเทศสามัญไม่อัศจรรย์อย่างไรเพียงแต่เป็นป่าใหญ่มีภูเขาที่สูงมากปกคลุมไปด้วยหิมะยากที่จะสำรวจได้ทั่วถึงแต่เมื่อประสงค์จะสำรวจกันจริงๆก็อาจสำรวจได้เรื่องป่าหิมพานหรือภูเขาหิมะวันเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนายอย่างไร ตอบได้ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงในธรรมบทมีคาถาพระพุทธภาสิตกล่าวถึงภูเขาหิมะวันเป็นเครื่องเปรียบทางธรรมเท่านั้นพระคาถานั้นแปลความเฉพาะที่ยกขึ้นเปรียบว่าสัตรบุรุษคือคนดีทั้งหลายย่อมประกาศคือปรากฏในที่ไกลเหมือนหิมะวันตะบรรพศฉะนั้นเทวภูมิไม่ได้กล่าวถึงมนุษยภูมิแล้ว จะได้เล่าถึงเทวภูมิต่อไปคําว่าเทวะแปลว่าผู้เล่นหมายถึงเล่นที่พยักกีฬาต่างๆเป็นสุขเพลิดเพลิอนอยู่โดยไม่บกพร่องอีกอย่างหนึ่งแปลว่าสว่างในอบายภูมิจําพวกสัตว์นรกมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาส่วนอบายภูมิจําพวกอื่นมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็มีมีความสุขบ้างในบางครั้งก็มีแต่ก็เป็นจําพวกที่ปราศจากความเจริญเช่น สัตว์ดุรัชานถึงจะมีความสุขบ้างก็ยังเป็นอบายซึ่งแปลว่าปราศจากความเจริญไม่มีจิตใจประกอบด้วยปัญญาที่จะทําความเจริญให้สูงขึ้นกวา่าพื้นเพเดิมได้เลยเดิมเป็นอย่างไรก็คงเป็นอย่างนั้นเช่นไม่รู้จักสร้างบ้านเมืองและทําสิ่งต่างๆต่างจากมนุษย์ซึ่งมีจิตใจประกอบด้วยปัญญาทําความเจริญต่างๆให้เกิดขึ้นแต่ในมนุษยยภูมินี้ มีทั้งสุขและทุกข์ปนเปนกันไปแต่จะเอาแต่เล่นเพลิดเพลิน อ, อย่างเดียวไม่ได้และร่างกายมนุษย์ก็เป็นของยาปฏิกูลและเป็นของมืดไม่มีแสงสว่างในตัวเป็นภูมิที่อาจพิจารณาเห็นทุกได้ง่ายเพราะมีอายุไม่ยืนยาวนักความแก่ความเจ็บของร่างกายตลอดถึงความตายปรากฏให้เห็นได้เร็วทั้งเป็นเจ้าปัญญาความคิดรู้ต่างๆท่านจึงแสดงว่า พระพุทธเจ้าเกิดในมนุษยภูมินี้เท่านั้นนับเป็นภูมิกลางของภูมิทั้งปวงไม่ใช่เป็นทุก์โดยส่วนเดียวอย่างภูมินรกทั้งไม่ใช่เป็นสุขโดยส่วนเดียวเหมือนอย่างเทวภูมิซึ่งมีภาวะผิดกันอย่างตรงกันข้ามกายของเทพเรียกว่าเป็นกายทิพย์เป็นกายสว่างละเอียดไม่ปฏิกูลเกิดเป็นอุ ป, ปาติกะซึ่งแปลว่าลอยเกิดคือผุดเกิดขึ้นมีตัวตนใหญ่โตทีเดียว แต่เป็นอทิศสัตสมานากายคือกายที่ไม่ปรากฏแก่ตาคนสัตว์นรกและเปรตอสุรกายโดยมากก็เป็นจําพวกอุปาติกะเหมือนกันในเทวภูมิบริบูรณ์ด้วยความสุขอายุก็ยืนยาวแก่เจ็บไม่ปรากฏตายก็ไม่ปรากฏซากจึงเห็นทุกข์ได้ยากผู้ที่เกิดเป็นเทพมักสวยความสุขเพลิดเพลินอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีแสดงไว้ว่าได้เคยมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ฟังธรรมในบางครั้งบางคราวมักจะมาเฝ้าในเวลากลางคืนดึกดึกเรื่องเทวดานี้มีเล่าไว้ในที่ต่างๆมากแห่งด้วยกันมีที่อยู่และชั้นต่างๆกันมากน่าจะเก็บมาจากคติความเชื่อกาวก่อนพระพุทธศาสนาเก็บมาเล่าโดยตรงบ้างดัดแปลงแก้ไขให้เข้าหลักเกณฑ์ในพระพุทธศาสนาบ้างดังเรื่องสวรรค์หกชั้นที่จะกล่าวต่อไปคือชั้นจาตุมหาราชิก